ไปไปนะครับอีกประการหนึ่งท่านกล่าวคําว่าวุฒตังไว้สองครั้งเพื่อแสดงว่าพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ขัดแย้งกับพระอริยเจ้าทั้งหลายประเด็นตรงนี้ผมประทับใจที่สุดนะครับในในบรรดาการขยายทั้งหมดเพื่อ เ, อเป็นข้อพิสูจน์ให้ให้ผมเวลาศึกษานะครับโดยส่วนตัวนะจะได้ศึกษาว่าเอา้าถ้าใครที่เขายกย่องกันว่าเป็นพระอริยเจ้าผมก็จะมาเทียบดูกับพระไตรปิฎกเพราะพระอริยเจ้าจะพูดไม่ขัดกันนะลองฟังคําอธิบายประเด็นนี้ว่า นะนะที่กล่าววุตังไว้สองครั้งเพื่อแสดงว่าพระดารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ขัดแย้งกับพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยะจะพูดไม่ขัดกันเองนะครับเหมือนอย่างว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมะแยกประเภทเป็นกุศลอกุศลนะนะถ้าพระองค์พูดว่ากุศลนะพระอริยะจะพูดทุกคนจะมีความเข้าใจว่าเป็นกุศลเหมือนกันนะครับพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอกุศลพระอริยะทั้งหลายก็จะมองเห็นว่าเป็นอกุศลเหมือนกัน รหรือพองตัดว่ามีโทษสาวัตชานี่มีโทษอนัวชานี่นะครับไม่มีโทษภาฏญาทั้งหลายก็จะพูดเหมือนกันนะครับประวติประ ว, ต, ระวตินี่ความเป็นป่ายไม้ถึงทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์นะครับนิวัตินี่การหมุนกลับหมายถึงนิโรธสัตว์กับมรรคสัต์นะครับสมมุติสัจจะและประมัทสัจจะไม่คลาดเคลื่อนเลยนะพราะพะุทธเจ้าจำแนกสิ่งเหล่านี้ออกอย่างไม่คลาดเคลื่อนเลย คือกุศลอกุศลสาวะชาอนะวัช า, า, วชาปวตินิวติเนี่ยนะครับสมุติสัจจะปรมัตสัจจะนี่นะครั บ, มมรรบชั้นใดแม้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระธรรมเสนาบดีเป็นต้นก็ฉันนั้นนะพูดเหมือนกันเลยจะพูดไม่ต่างกันเลยนะครับถ้าอ่านในพระสูตรเจอบ่อยๆเนี่ยนะครับว่าพโมคขาลานะพูดยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนั้นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยังไงพระโมกขาลานะก็แสดงอย่างนั้นแหละ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ตามปริญนิพานแล้วก็ตามก็กล่าวคล้อยตามเทศนาของพระ อ, องค์หาได้มีวาทะเป็นต่างๆกันในเทศนานั้นไม่เนี่ยนะคือไม่ว่าจะเป็นพระอริยะหรือพระ อ, องค์เอ ง, เองเนี่ยนะเอาจำนวนหนึ่งนะพระพุทธเจ้าก็ไม่เทศกันเองนะครับปีแรกปีสองปีสามจนถึงปีที่สี่บห้าก็จะพูดไม่ขัดกันเองเนี่ยนะอันนี้โดยส่วนตัวของพระ อ, องค์เนี่ยนะครับ และอีกอย่างหนึ่งพระองค์กับพระอริยะทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระองค์ก็จะตรัสไม่ขัดกันเลยนะครับไม่ว่าโอโสถสดากับสาวกไี่คุยกันคนละ ง, งานคนละ ง, งานหรือพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตรัสไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยนะอันนี้จักไม่มีเด็ดขาดนะครับเพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสไว้แล้วในการต่อมาจากนั้นแม้พระอริยะสอ์ผู้เป็นพระอรหันก็กล่าวไว้กล่าวเหมือนกันเลยนะครับ เนี่ยในเรื่องนเนี่ยยศที่ท he ah ่านยกตัวอย่างมาให้เห็นเนี่ยเรื่องกุศลอกุศลเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าตรัสยังไงพภาษาวกก็แสดงอย่างนั้นแหละสาวัตช a k r กับอนัวัตช a เนี่ยมีโทษกับไม่มีโทษเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีโทษสาวกที่ปฏิบัติตามมาท่านก็บอกว่ามีโทษเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนั่นแหละหรือสิ่งที่ไม่มีโทษเนี่ยนะหรือพระพุทธเจ้าตรัสอริยสัจอย่างไรพระษาวกรุ่นหลังก็พูดอริยสัจเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับ อาจจะสัมมวลวูหารอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่โดยอัตตะความหมายจะไม่มีความแตกต่างกันเด็ดขาดนะครับนี่นะเพราะฉะนั้นที่กล่าววุตังไว้สองครั้งเนี่ยนะครับเพื่อแสดงว่าพระดําดรัตของพระผู้มีพระภาคไม่ขัดแย้งกับพระอริยเจ้าทั้งหลายดังพันณนา ม, มาชนี้นะครับยกตัวอย่างนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับแสดงคำแล้วสัตว์บรรลุสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะที่แสดงถูกอัดถูกทำเนี่ยนะ นางคุตชุตราอุบาสิกาเนี่ยนะครับก็แสดงธรรมแล้วคนอื่นบรรลุธรรมได้ น, นะครับแล้วก็แสดงตามแนวเดียวกันด้วยนะครับไม่ขัดแย้งกันเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วสัตว์ทั้งหลายบรรลุมรรคผลนิพพานได้พระสารีบุตรเป็นต้นก็แสดงธรรมแล้วคนบรรลุมรรคผลนิพพานได้เนี่ยนะแล้วเนื้อหาที่แสดงก็เหมือนกันคือหมายความว่าอริยสัต์เหมือนกันแต่วโวหารอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าจุดหมายปลายทางการบรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีความแตกต่างกันเลย เป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกนะครับว่าพ่อที่อ้างตัวบรรลสมัยนี้ชอบออกมาคัดค้านประยัดบ้างว่าเอาแต่เรียนไม่ปฏิบัติเองพวกพวกตนเนี่ยได้รู้เองได้ด้วยการปฏิบัติอะไรเงี้ยก็ขัดแย้งตรงนี้มากนะครับครับผมถ้าหากว่าข้อความอันนี้เนะี่ยผมอยากให้ไปดูในคมพีวิพังนะครับคมภีวิพังเดี๋ยวช่วงภระวงังผมจะเอามาอ่านตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งให้เห็นว่า ครับผมตรงนั้นหนะ น, น่าเห็นใจน่าสนใจมากนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครนะครับบาปประกรรมทั้งหลายนะครับผมคิดนะวาจาเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับกลืนเบ็ดนะครับพูดครั้งหนึ่งก็กลืนเบ็ดไปเม็ดหนึ่งนะครับกลืนเบ็ดไปอันหนึ่งนะครับพูดสองครั้งก็กลืนเบ็ดไปสองครั้งกลื่อพูด3ามครั้งก็กลืนเบ็ดไป3าครั้งครับวาจาอันนั้นนะครับจะทําลายเขาไม่ใช่ที่ไหนหรอกครับ เธอเห็นไหมในอรหันตวรกนะว่าชนเราได้ผู้คัดค้านคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพราอรหันต์เขาเกิดมาเพื่อทําลายตนเหมือนคุยไผ่นะครับทําลายต้นไผ่เหมือนแต่ลูกกล้วยทำลายต้นกล้วยเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาเกิดมาเพื่อทําลายตนจริงๆนะครับถ้าหาว่าผู้ที่คัดค้านในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์อันนี้ก็ทําให้เราสมทานเห็นโทษนะครับถ้าเราจะเดินเจริญรอยตามก็คงตกเหวเหมือนกันนะครับ อาบายเนี่ยมันขึ้นยากนะครับเคยเห็นไหมเดราชาญจัดนิทัศการฟังธรรมใหญ่โตเลยนะไม่มีนะครับพวกมดเนี่ยจัดสนทนาธรรมกันใหญ่โตเลยไม่มีนะครับเดราชานพวกยุงเป็นต้นเนี่ยนะครับจัดการให้ทานเป็นยานใหญ่เลยนะไม่มีเพราะฉะนั้นอบายเนี่ยนะครับอยัดไปเด็ดขาดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นมานะทั้งหลายแหละเป็นต้นที่เกิดเกิดขึ้นก็สังวรสังวรไว้หน่อยเอ้ยนี่นะพราะไอ้ตัวนี้แหละทําให้ไปสัวบาทุกขติวิณีบาสนี่จะมาชวนไปอีกแล้วเลยอนั้นก็สำกลัวกลัวไว้เถอะครับเป็นโรคปอดหน่อยดีนะครับปอดแหกกลัวบานกลัวกลัวบุญกลัวบาสนี่ควรเอาไว้นะครับไม่ใช่ว่ากล้าจนหูคัดค้านเลยนี่ก็เสียหายนะครับแต่ว่าใครจะทําก็สุดแท้แต่บุญบาตนะครับเพราะว่าเจตนามีผลผมเชื่อเรื่องกรรมมากนะครับ แต่ว่าเราจะได้เป็นเช่นนั้นเลยจะพะคุณทูลหัวยทีนี้ต่อไปนะครับว่าอีกประการหนึ่งนะครับที่กล่าววุตตังไว้สองครั้งก็เพื่อแสดงว่าพระดํารัดของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีนัยยะอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆตรัสไว้พระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นต้นนะตรัสไว้ยังไงเนี่ยนะก็เหมือนกันนั่นแหละครับแสดงธรรมเพื่อบรรลุมรรุมผลนิพพานตัดอริยสัจเหมือนกัน จากข้อความตรงนี้นี่นะครับผมทำให้ผมคิดเรื่องหนึ่งคือผู้ที่บอกว่าตัวเองปรารถนาสัมมาสัมพุทยานแล้วกล่าวคำสอนที่แตกต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมไม่อยากเชื่อเลยว่าว่าเขาเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆถามว่าทำไมจึงผมผมจึงคิดอย่างนั้นเพราะว่าผู้ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะมาสอนทระไตรปิฎกว่างั้นเถอะ เพื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าและจะมาสอนพระไตยปิฎกแต่คนที่บอกว่าชั้นเนี่ยปรารถนาเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อคัดค้านพระไตยปิฎกหรือว่าพูดพระไตยปิฎกผิดเป็นต้นเนี่ยผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆเนี่ยนะครับเพราะถามว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพื่ออะไรครับเพราะเพื่อมาจะแสดงทำแบบพระไตรปิฎกนี่แหละเพราะพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็เทศเหมือนกันนี่แหละครับอริยสัจเหมือนกันนี่แหละเนี่ยนะครับ แล้วตัวเองมาปฏิเสธตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะมัคคสัตนะครับมัคคสัตเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็คือศีลสมาธิปัญญามาคัดค้านเรื่องศีลมาพาชักชวนกันปล่อยประละเลยในเรื่องศีลพากันทิ้งสิกขาสามที่พระองค์ทรงแสดงไว้เนี่ยนะพากันละเลยแล้วก็ดีไม่ดีไม่เห็นด้วยปฏิเสธชักชวนกันในทางเลวไหลเป็นต้นเนี่ยนะน่าจะบอกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ได้ยังไงเพราะว่าเป็นหัวหน้าในการทําลายตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็น่าคิดนะจากจากอ่าจาก คําข้อความในประมาททีปณีอันนี้ทําให้มาตึกแบบนี้นะในโดยอัธยาศัยที่ผมคิดเองนะทีนี้กล่าวว่าพระํา ร, รัดของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับมีนิยัตอย่างที่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเนี่ยตรัสไว้แม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องชาติพุทธเจ้าบางองค์ก็ชาติพราหมณ์ใช่ไหมครับพระองค์ก็ชาติ ก, กษัตริย์อย่างเงี้ยหรือโคตรอาจจะต่างโคตรกันเช่นพระพุทธเจ้าโคตมโคตรอย่างเงี้ยนะ และมีจํานวนอายุเป็นต้นที่แตกต่างกันนะครับอายุอาจจะแตกต่างกันบ้างพระราชมีอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่มีความแตกต่างกันด้วยพระธรร ม, มเทศนาก็คือสอนนี่แหละครับสอนสศีลสมาธิปัญญาสอนทุกขสัตว์สมุทัยสัต์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์เหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยเห็นไหมแต่เวลาเอ่ยชื่อก็อาจจะต่างกันบ้างใช่ไหมครับ สาวกโอนก่อนๆ อ, อาจจะไม่ได้ชื่อสารีบุตรแต่ก็อาจจะต่างกันโดยชื่อเท่านั้นเองแต่ว่าโดยเนื้อหาของธรรมเทศนาเป็นต้นไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตัดไม่ขัดกันเองนะผมยังไม่พูดขัดกันเองเดี๋ยวพระสีอานมาถึงแต่สรู้เป็นพระพุทธเจ้าโอ้ยไม่ใช่นะสิ่งที่พระสัมมณาณโคดมพูดไว้ไม่ใช่เลยที่ถูกมันเป็นอย่างนี้อันนี้จะไม่มีเด็ดขาดนะครับ จะไม่มีเด็ดขาดมีแต่อนุโมทนาซึ่งกันและกันนะครับมีว่าโอ้ถูกต้องแล้วเนี่ยนะคำสอนเนี่ยเป็นนิยานิก็ทําเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์เลยจริงจริง น, นะและก็ตัดคําหน้าไม่ขัดแย้งกับคําหลังของพระ อ, องค์เองเนี่ยนะอย่างหนึ่งพูดไม่ขัดกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆและองค์ที่จะมีต่อไปด้วยและโดยเนื้อหาที่พระ อ, องค์ตรัสเองนะครับปีแรกกับปีสุดท้ายนะครับแรกตรัสรู้กับดับขันปริญิพาน ถ้อยคำก็ไม่ขัดแย้งกันเลยนะครับจะไม่มีการขัดกันเด็ดขาดเพราะเหตุนั้นจึงสมด้วยคําที่ท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายของเราทั้งหลายในปัจจุบันตรัสไ ว, ว้แล้วด้วยพระองค์เองเมื่อก่อนเป็นฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ก็ตรัสคํานี้ไว้ฉันนั้นอันนี้ท่านยกคําพียอะไรมาครับมีเชื่อมัม้ยนะแสดงว่าอาจจะมีในที่อื่นนะครับ เพราะฉะนั้นท่านกล่าวคําว่าวุดตังไว้สองครั้งเพื่อแสดงว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ามีนัยยะเดียวกับที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆตรัสไว้และมีนัยยะเดียวกับที่พระองค์ตรัสไว้ในพระสูตรอื่นๆดังพันณนามาชนีอ่านะจากอุทาหรณ์ตรงนี้ทําให้เรามีหลักการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างหนึ่งว่าทิฏฐิใดหรือความเข้าใจใดนะครับที่เราเข้าใจเนี่ยถ้าขัดแย้งกับสูตรต่างๆขอให้รู้เท่าว่าความเข้าใจอันนั้นมีปัญหานะครับ ความรู้ความเข้าใจเอ๊ะทำไมสูตรต้นกับสูตรท้ายไม่เหมือนกันหรือว่าในชั้นต้นให้ตรวจพยัญชนะก่อนนะครับว่าเอ๊ะมันตกหล่นตรงไหนไหมเป็นต้นนะคร<ม>ับถ้าหากว่าตรวจสอบดูแล้วเนี่ยพยัญชนะไม่ ก, ก็ก็ถูกต้องหมดแล้วอ่ะก็มาปรับความเข้าใจดูว่าเรานี่เข้าใจตรงไหนคลาดเคลื่อนบัางทําไมจึงเข้าใจไม่เหมือนท่านนะครับแต่ถ้าหากว่ายังตรวจสอบไม่เจอก็เอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งพลือพลามวิจาร์อย่างใดอย่างหนึ่งให้รอไปอีกระยะหนึ่ง สติปัญญาอาจจะโตไม่พอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เจริญกุศลไปอีกระยะหนึ่งนะครับอีกสิปีมารู้ก็ยังไม่สายแต่อย่าพิ่งด่วนปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําใจไว้หน่อยในส่วนตรงนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะยังไม่ได้รับคําอธิบายที่สัมพันธ์กันก็ได้นะครับก็ค้นคว้าต่อไปก็แล้วกันถ้ามีผู้รู้ให้ถามก็ไปถามท่านผู้รู้ไปนะครับถ้าไม่มีก็เก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพึ่งด่วนปฏิเสธเลยนะครับผีผามแล้วก็แมม อันตรายนะครับพระองค์บอกว่าควรเราไปบอกว่าไม่ควรอย่างเงี้ยมีโทษแล้วนะเป็นเบื้องต้นแห่งเพกระวัตถุหนักๆเข้าจะเป็นวัตถุแห่งสังกเพศไม่ยากนะักนะคเขาบอกว่าท่านกล่าวคำว่าพุทธังไว้สองอสองครั้งเนี่ยนะครับเพื่อแสดงว่า คำสอนของพระพุทธเจ้ามีนิยะเดียวกับที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆตรัสไว้และมีนิยะเดียวกับที่พระองค์เองตรัสไว้ในพระสูตรอื่นๆดังพันานามาชชนิความไม่ขัดแย้งกันแห่งพระเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในที่ทุกแห่งเป็นอันท่านแสดงไว้แล้วด้วยคํานั้นนะนะไม่ขัดแยง้งอะไรครับศึกษาไปเถอะพระไตรปิฎกถ้าที่ไหนขัดแย้งกันนะสูตรไหนสูตรหนึ่งโอขัดแย้งกันเยอะแยะช่วยบอกผมด้วยนะครับเขียนจนมาให้ผม ทราบด้วยนะว่าขัดแย้งกันยังไงนะครับผมจะได้ไปเออเพื่อหูไม่ค่อยดีตาไม่ค่อยดีสติปัญญาไม่พอนะอยากจะเห็นคําขัดแย้งเหมือนกันะช่วยอธิบายด้วยนะครับว่ามันขัดแย้งเพราะอะไรแล้วก็แต่ใช้หลักฐานนะครับใช้หลักฐานตามคำพีนะหรืออาจจะบางท่านเกิดเสนอมาเลยเอเห็นไหมพระองค์บอกอัตหิอัตโนนาโถตอนหลังก็บอกสัพเพธรร ม, มานตาอย่างนี้ขัดกันไหม อันนี้ก็เป็นต้นนะครับผมอาจจะให้ในไว้ก่อนเออดูเหมือนขัดกันนะแต่อันที่จริงเราไม่มีการขัดกันเด็ดขาดนะครับศึกษาถ้อยคําเหล่านี้ให้เข้าใจคําว่าวุตังนะครับคําที่สองเพิ่งเห็นว่าเป็นคําพูดถึงภาวะคือความยิ่งใหญ่อ่าเมีอ่อธิบายดังนี้ว่าก็คํานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วได้แก่คําพูดที่จะกล่าวต่อไปนี้เมี่อที่ว่าเอกธรรมังพิกเว พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสไว้แล้วนะครับนี่คือแสดงอะไรนะครับแสดงความยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับภาวะที่ยิ่งใหญ่มากคําสอนเหล่านี้เนี่ยครับอีประการหนึ่งคําว่าวุตตังนี้หมายถึงคําพูดถึงบทที่สองอีกบทหนึ่งโดยที่แท้พึงเห็นว่ามีความหมายหมายถึงการพูดด้วยเหตุนั้นท่านจึงแสดงไว้อย่างนี้ว่าก็คํานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วก็แลคํานั้น ไม่ใช่สักแต่ว่าตรัสไว้แล้วคือไม่ใช่สักว่าแต่บอกไว้แล้วโดยที่แท้ทรงแสดงถึงกุศลมูลของเวนยสัตว์ทั้งหลายนะครับคือทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะประกาศกุศลมูลของสัตว์นะครับว่ากุศลมูลคืออะโลพาณูอะโทสะมูลอโมหมูลของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไรเนี่ยนะเพระองค์ทรงแสดงธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะตามมูลของกุศลของสัตว์เหล่านั้นนั้นจริงๆนะครับ อีประการหนึ่งคําว่าวุตังที่เป็นบทที่สองนี้มีความหมายว่าประพฤตินนะเมื่อกี้นี้บอกว่ายิ่งใหญ่ใช่ไหมตรงนี้บอกว่าประพฤต์ก็มีก็บทนี้มีอธิบายดังนี้ว่าก็คํานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตตรัสไว้แล้วก็เลขาคำนั้นไม่ใช่เพียงแต่สักว่าตรัสไว้แล้วที่แท้คํานั้นทรงบําเพ็ญคือทรงประพฤติจนเกิดประโยชน์ น, น, นะ ด้วยเหตุนั้นท่านจึงแสดงไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีปกติตรัสอย่างใดก็มีปกติทําอย่างนั้นมีปกติทําอย่างใดก็มีปกติตรัสอย่างนั้นนะที่เรียกว่าตยาธาวาทีตทาการิยะาวาทีตถาการีเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นพระองค์นี่เป็นลักษณะ น, นั้นไม่ใช่ว่าโหสักว่ามาเที่ยวไร้ให้เป็นสัมนวนสละสลวยไปเฉยๆไม่ใช่นะครับพระองค์ได้รับการปฏิบัติมาแล้วเป็นอย่างนั้นยิงๆก่งเหมือนกัน อีกประการหนึ่งมีความหมายว่าคํานั้นเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าคือผู้ควรเรียกว่าพระอรหันต์ตรัสไว้แล้วคือมีคุณธรรมของพระอรหันตนะตรัสนะไม่จะว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปมาพูดนะอีกประการหนึ่งท่านกล่าวคําว่าวูดตังคําแรกไว้เนี่ยหมายถึงการทรงยกขึ้นแสดงถ้อยคําโดยย่อนะครับแสดงคาแบบย่อยๆนะครับคํากล่าวว่าวูดตังไว้ซ้ําอีกหมายถึงการแสดงคําขยายถ้อยคําโดยพิสดาร เป็นความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะครับทรงแสดงธรรมทั้งโดยย่อทั้งโดยพิสดาร น, นะครับธรรมะหมวดหนึ่งก็ย่อใช่ไหมครับถ้าหมวด11ก็พิสดารหรือบางทีก็หมวดสี่สิ้าเนี่ยนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีเช่นนายานวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็พระองค์แสดงทั้งแบบโดยย่อและโดยพิสดารตามสมควรแก่แก่ผู้ฟังนะครับเป็นความงดงามของเทศนาอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอัธยาศัยของสัตว์นี้อย่างหนึ่ง แต่จะด้วยความงดงามแห่งเทศนาก็ตามจะด้วยอัธยาศัยของสัตว์ก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายจริงๆอีกประการหนึ่งนะครับท่านกล่าวคําว่าวุตตังเหตังพระควตาไว้แล้วก็กล่าวคําว่าวุตตังไว้ซ้ําอีกนะครับก็เพื่อแสดงว่าไม่มีคําพูดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ดี เรียว่าทุกวาจาไม่มีเลยนะครับมีแต่สัมมาวาจามีแต่ดีหมดเลยเป็นความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะครับทรงละโทษทุกอย่างพร้อมทั้งวาสนาได้แล้วมีคันลองแห่งคําพูดไม่ผิดพลาดจึงไม่มีคําพูดที่ไม่ดีแม้ในการไหนๆเพราะพระองค์ทรงมีวจีกรรมอันคล้อยตามพยานอยู่ตลอดเวลานะสังเกตดูนะว่า วาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจิตแต่ชื้อโรคใช่ไหมครับมีจิตเป็นสมุทฐานจิตที่เป็นเหตุให้พระองค์กล่าวออกมาเนี่ยจิตชนิดไหนครับสัพพัญญุตยา น, นะครับมีปัญญาเนี่ยนะครับเป็นสมุทฐานว ง, งั้นแต่มีปัญญาเป็นสมุทฐานเนี่ยนะตามหลักคัมภี์ปัฏฐานเลยนะครับเหตุตูเหตุสัมพยุตการนางธรรมานังตังสมุทฐานานังจะรูปานัง น, น, นะครับ e ue, เหตุปัจเยนนะปัจเจโยคือ อ, อาศัยอะโมหเหตุนะครับคือพระปัญญา อโมหะเหตุอันนั้นเนี่ยนะครับทำให้สัมปยุตรธรรมเหล่า น, น, นั้นเกิดขึ้นแล้วก็เปล่งวาจาออกมานะครับทำติดแตชรูปออกมาด้วยอำนาจเหตุปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือด้วยอำนาจอธิปฏิปัจิใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำพูดนั้นๆเนี่ยนะครับเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยนะด้วยอนุภาพแห่งปัญญานะครับด้วยอนุภาพแห่งสติและปัญญาและสติปัญญาเหล่านั้นก็ทรงอบรมมาตลอดเสียสงไขแสนกลับมันถ้อยคำเหล่านี้จึงไม่มีผิดพลาดเลยนะครับถ้อยคำไม่มีผิดพลาดเนี่ยนะครับ หรือว่าตรั ด, ต ร, ดตรัดไปเออเออเออเข้าใจผิดไปเนี่ยไม่มีนะครับที่แบบเหมือนผมว่าไปเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจว่าไม่มีกะมีดาวสักอย่างเลยนะครับเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วท่านก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนอย่างว่าคนบางคนในโลกพูดอะไรออกไปเพราะคนองหรือเพราะความสนุกสนานเนื่องจากเผลอสติต่อมารู้ตัวก็ทำคำพูดที่พูดไปแลว้วตอนก่อนให้เป็นอันไม่พูด ปรับปรุงคำพูดบ้างไม่ปรับปรุงบ้างฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเป็นเช่นนั้นหาไม่ได้คือหมายความว่าเหมือนเราเนี่ยพูดไปพูดมาเอาเป็นอาบัตไปแล้วเออนะครัพระเจ้าเป็นอาบัติแล้วนะขอแสดงอาบัตคืนหน่อยเถอะตั้งใจสำรวมมาต่อไปจะไม่พูดแบบนี้อีกแล้วพระองค์ไม่มีนะครับมาว่าพระองค์ไปสารภาพบาปกับใครเป็นต้นไม่มีนะว่าพระองค์ได้ทำผิดทำพลาดในข้อนั้นๆเป็นต้นไม่มีเลยเพราะไอกิเลสเป็นเหตุให้เป็นแบบนั้นเนี่ยไม่มีแล้ว วาสนาที่จะไปเป็นให้เป็นแบบนั้นไม่มีแล้วนะความเคยชินด้วยอำนาจกิเลส ท, ที่จะทําให้เป็นแบบนั้นเนี่ยไม่มีอีกแล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระหฤทัยมั่นคงอยู่ตลอดการเป็นนิดนะครับมัน่นจริงๆนะครับคือไม่มีอุทจจะไปแทรกให้มันกระจายออกไปเลยนะครับไม่มีอกุศลวิตตกไปซึมไปสาบไปแทร ก, กอะไรซกักอย่างเลยนะไม่มีความเพลอสติเป็นธรรมดาและไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาไม่มีเลอะเลือนเลอะเทอะเนี่ยนะ สำนวนว่าเหมือนเมาเลยเนี่ยนะเพ้ออะไรขึ้นมาไม่มีเมื่อจะทรงประกาศอริยสัจสี่ซึ่งเป็นสวนานุตรยะนะผู้ใดที่ได้ฟังอริยาาสัจสี่นะครับผู้นั้นก็เป็นสวนานุตรยะแล้วชื่อว่าการฟังอันยอดเยี่ยมมีสาระที่น่าสดับให้เป็นเหมือนกับโปรยฝนอมตะแก่เวนยสั์ทั้งหลายผู้กาลังสดับอัฏะที่น้อมเข้าไปด้วยปฏิภาณนะปฏิสัมพิทา อันพระสัพพัญยุตยามประคองแลว้วอันเป็นโสตายตนะและรัายตนะเพราะการณวินยูอันพิเศษที่ผ่องใสและบริสุทธิ์ซึ่งไม่ทั่วไปแก่บุคคลอื่นเกิดมาจากบุญยสมภารอันสั่งสมไ ว, ว้แล้วตลอดกาลนานประมาณไม่ได้ได้แต่ถ้าดารัดอันเหมาะแก่อัธยาศัยของเวนยสัตว์ด้วยภาษาที่เหมาะ แก่สภาวะด้วยพระสุรเสียงที่ก้องกังวานดังเสียงร้องของนกกระเวกในพระดำรัสนั้นไม่มีความผิดพลาดแม้เพียงปลายขนสายแล้วโอกาสที่พระดำรัตเนี่ยนะที่ ท, ทรงตรัสพระดำรัสไม่ดีจักมีมาแต่ไหนเพราะเหตุ น, นั้นเพื่อแสดงว่าคำใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วคำนั้นก็เป็นอันตรัสไว้ดีแล้วนะทีเดียวไม่มีพระดารัสที่ ไม่ได้ตรัสไว้หรือตรัสไว้ไม่ดีในการไหนนะครับคําชั่วเนี่ยไม่มีพูดไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะว่าเอคําสอนของพระองค์ที่พระองค์เปล่งวาจาออกมาเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่ออริยสัจหมดเลยเ อ, อพูดอย่างนี้เนี่ยพูดวินัยเนี่ยอริยสัจไหครับวินัยนี่นําเนื่องในอริยสัจไหมครับ<น>วินยัยครับสงเคราะห์อยู่ในไตรสิกขาคือศีลสิกขาศีลสิกขาที่เป็นไปเพื่อ มัคสัต์นั่นเองนะครับแต่ว่าในช่วงแสดงก็ให้เป็นมหากุศลที่เป็นไปกับศีลก่อนแต่ศีลเหล่านี้ก็สนับสนุนส่งเสริมมัคสัตย์เพราะฉะนั้นพระวินัยปิฎกก็ยังนับเนื่องในมัคสัตย์นะครับเป็นประเภทศีล น, นะครับเพ ร, ะะเพราะฉะนั้นเราศึกษาเรียนรู้แม้กระทั่งพระวินัยบัญญัติเป็นต้นขณะนั้นๆก็ชื่อว่าสวร น, นุตริยะนะครับเพราะฉะนั้นพระสูตรพระธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นสวนานุตริยะมีสาระจริงๆนะครับ เป็นเหมือนกับฝนที่ราดรถนะนะฮ ะ, ะเป็นน้ำำําอมฤตนะครับโสดสงให้สัตว์เนี่ยนะครับได้รับอมาตะว่า ง, งั้นน้ำำาําอมฤตเนี่ยนะถ้าตกลงมาสัตว์ก็เป็นอมาตะน้นําฝนคือคําสอนของพระองค์ในราดรถในจิตของผู้ใดก็ทําให้ผู้นั้นเป็นอมาตะนะครับคืออมาตะหมายความว่าไม่ตายนะครับพ้นจากความตายเป็นต้นใช่ไหมครับ อันนะั้นเพราะสาหรับผู้ที่น้อมเอาเข้าไปปฏิบัติแล้วท่านบอกย้ําพิเศษหนึ่งนะสําหรับวินยูชนนะครับสําหรับวินยูชนนะครับเอาคนที่พอจะรู้เนื้อความนะครับไม่ใช่เอาไปคนหูหนวกไปเทศให้คนหูหนวกที่ไหนฟังก็ไม่รู้เนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่นี่หมายถึงเอาวินยูชนคนที่รู้เนื้อหาสาระแล้วปฏิบัติตามนั้นนะครับเนี่ยนะ และอย่างหนึ่งเนี่ยอกการณะสมบัติเนี่ยนะครับฐานของเสียงทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคือไม่ว่าจะเป็นลำคอเพดานลิ้นปากฟันไรฟันเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากบุญยะสมพานที่ทรงสั่งสมมาตั้งสีอสงไขแสนกลับนะเพราะฉะนั้นโดยฐานของเสียงที่เปล่งออกมานี่ก็ลึกซึ้งนะครับ เป็นถ้อยคําที่ว่าไพเราะกล้องกังวานเหมือนเสียงนกกระเวกนะครับเสียงประกอบไปด้วยองค์8ดเหมือนเสียงมหาพรหมแล้วจิตที่เป็นสมุทฐานแห่งการเปล่งวาจาเหล่านั้นนนั้ก็เกิดจากสัพพัญยุตยานหรือว่าเกิดจากปฏิสัมพิธาทั้งหลายนะครับที่พระองค์ทรงบําเพ็ญพระบารมีมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิต เออไม่ว่าจะเป็นจิตเออจิตแตชรูปเออที่เปล่งวาจาออกมาเป็นเสียงเสียงเหล่านั้นนเนี่ยนะครับประกาศอริยสัจธรรมทั้งหลายสาทั้งหลายเมื่อฟังปั๊บก็รู้แจ้งเห็นจริงตามแล้วก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลตามได้เลยนะครับอันนั้นเพราะฉะนั้นถ้อยคําเหล่านั้นนเนี่ยสําเร็จประโยชน์ได้จริงๆไม่มีผิดมีพลาดอะไรเลยนะครับถ้ปฏิบัติตามเถอะถ้าปฏิบัติตามไม่ได้นะครับอ่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่นี้ปฏิบัติตามได้ แล้วก็ตัวอย่างก็มีเยอะแยะในในในที่ปรากฏหลักฐานแต่ว่าสมัยนี้เอา้าทําไมไม่เห็นมีแล้วก็ถามว่าสมัยนี้ทําตามได้อย่างที่ว่าไหมล่ะถ้าทําตามได้ก็บรรลุได้จริงอ่ะที่ที่ทําตามไม่ได้นั่นแหละเลยยังไม่บรรลุนะครับแต่เขาบอกว่าโอ้ยผมก็ทํามาตั้งเยอะแยะอ่ะใช่ทําอ่ะแต่ทีนี้ก็มาตรวจสอบนะครับเอาคัมภีร์มาวัดดูว่าเป็นไปตามนั้นหมดไหมทำไมเป็นไปตามนั้นหมดแล้วจะไปร้องทวงเอาจากใครนะครับเพราะทําตามไม่ได้นะ เหมือนก็ออกกําลังกายให้ออกเหงื่อนะครับแค่ยกยกแขนนิดนิดหน่อยหน่อยทําไมเหงื่อไม่ออกอ่อมันไม่ได้ทีมไม่ได้ทีมจะไปได้แรงได้เรียกอะไรนะมันต้องทําแต่ละอย่างให้มันสมดุลสิครับไม่ใช่ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอาหารมาโอ้เขาปรุงอร่อยเรามากินบ้างเนี่ยนะเอาเส้นมาลวกๆทายังไงไม่เป็นนะทาไมไม่อร่อยเหมือนเขาก็ทําไม่เป็นนี่นะครับเพราะต้องเรียนศึกษาสูตรให้มันจบแล้วถ้าทําตามสูตรเบ็ดเสร็จแล้วทําตามอย่างที่ว่านะไม่ได้บรรลุนะครับ ให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าท่านอินทรีย์ไม่แก่กล้ายังไม่คู่ควรกก่การตรัสรูนะครับหรืออาจจะยังไม่ได้ตรัสรูในพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ได้นะครับท่านอาจจะป่าถนาตําแหน่งสาวกอย่างไรอย่างหนึ่งไว้ในพระพุทธเจ้าองค์หน้าก็จะเพิ่งเรียบร้อนนักนะครับนะยังไงก็มาส่งข้อผมด้วยนะครับ น, นเพราะฉะนั้นท่านกล่าวคำกล่าว คำนี้นะฮะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วดังนี้แล้วก็กล่าวย้ําไว้อีกว่าพระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเพราะเหตุนั้นในที่นี้จึงไม่มีโทษแห่งคําที่กล่าวซ้ําอีกนะครับอย่าไปนึกตําหนิเด็ดขาดเลยนะครับแหมพูดทําไมซ้ำๆ ซ, ซากๆกันเอย่าไปนึกตําหนิแบบนั้นนะครับถามว่าจิตที่นึกตําหนินั้นเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลนะครับมีโทษและอกุศลนี้มีอะไรเป็นอารมณ์ครับมีถ้อยคําของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์ ไม่ตำหนิคนธรรมดานะครับไม่ใช่โทสะที่ที่มีโทษต่อคนธรรมดานะต่อพระอริยะเด็ดขาดนะครับเพราะถ้อยคําเหล่านั้นเป็นถ้อยคําของพระอริยเจ้าทั้งหลายเอางี้นะครับว่าความโกรธเนี่ยนะโกรธเนี่ยนะสมมุติว่ไอ้ความโกรธเนี่ยท่านับไม่ดีอยู่แล้วนะถ้าเราโกรธหมูหมากาไก่เนี่ยอาจจะไม่มีโทษเท่าไหร่ใช่ไหมครับนั่นนะถ้าโกรธคนด้วยกันไม่แน่นะครับเขาอาจจะโกรธคืนในะเรื่องราวใหญ่โตนะ ทีนี้ถ้าไปโกรธคนใหญ่คนโตอะไรจะเกิดขึ้นนะครับถ้ายิ่งแบบสมัยโบราณด้วยไปโกรธจกักรพรรดิก็สั่งตัดหัวเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันทีนี้ถ้ามีจิตคิดประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายนี้มีโทษจริงๆนะครับมันถ้อยคําของพระอริยเจ้าทั้งหลายก็สั่งวรให้ดีนะครับวาระนี่นะครับบุญบาปก็อยู่แถวๆนั้นแหละครับพระองค์จึงตรัสว่าการสํารวมวาจาเป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จใช่ไหมครับการสํารวมกายเป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จการสํารวม นนถ้าเอาตามพี่ขวักในในพี่ขวักในคาถาธรรมบทนะพระองค์ตรัสว่าการสํารวมตาเป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จนะครับการสํารวมหูเป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จการสํารวมจมูกเป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จการสํารวมลิ้นเป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จการสํารวมกายกายก็คือภาษาธกายก็เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จหรือการสํารวมกายคือกายคือพฤติกรรมนะครับก็เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จ การสัมรวมวาจาก็เป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จการสัมรวมใจก็เป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จเพราะว่าบุคคลเมื่อสัมรวมทวารทั้งปวงเหล่านี้ได้นะครับก็พ้นจากทุกทั้งมวลได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพยายามสมังวนสัมรวมระวังนะครับพระตนะตรายนี้เป็นสาระเป็นที่พึ่งของสัตว์ ท, ทั้งหลายเมื่อสัตว์ ท, ทั้งหลายเป็นมีจิตคิดเบียดเบียนหรือคิดตําหนิพระตนะตรายก็มีโทษนะครับ เอางี้นะว่าถ้าเรานึกรังเกียบดวงอาทิตย์แล้วเราจะทํำยังไงครับเราก็หลับตาเดินเท่านั้นเองใช่ไหมครับถามว่าหลับตาเดินเนี่ยดวงอาทิตย์มีโทษไหมหรือว่ามีโทษกับคนหลับตาเดินนะครับก็มีโทษกับคนนั้นอยู่แล้วอุ๊ยเบื่อนายดวงอาทิตย์เลอะเกินขับรถฉันไม่ต้องการแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เลยหลับตาเลยนะครับนะเปิดเบอร์เซ็นถ้าขับแถวเนินเขาเยอะๆตกเหวตกเขาแล้วชีวิตในยุคนี้นะครับชีวิตที่อันตรายรอบด้านนะเมื่อมีอันตรายรอบด้านเนี่ยนะครับ คิดดูนะว่ายุคนี้เนี่ยนะครับเปอร์เซนต์ตายนี่ง่ายมากจากอุบัติเหตุทั้งหลายแต่สลาวนี่กลัวงูมากกว่ากลัวรถเชื่อไหมครับเนี่ยเห็นรถนี่ไม่ค่อยกลัวแต่เชื่อไหมว่ารถชนคนตายมากมายงูเนี่ยปีเมื่อไหร่จะได้ยินข่าวว่า ง, งูกัดคนตายทีงก็ไม่รู้แต่กลัวกลัวนะครับตะเข็บตะขับเนี่ยกลัวจริงๆแต่รถชนคนตายเฉียวกันเรื่อยเนี่ยนะไม่ค่อยนึกกลัวกันเลยเห็นไหมครับว่าอันตรายนี่มากขนาดไหนปีปีหนึ่งเนี่ยนะครับ อาจจะได้ข่าวว่าตายเพราะเหตุอื่นๆนี่ก็ไม่มากนะแต่ว่าสิ่งที่เรากล้าๆเนี่ยนะครับนั่นแหละคือต้นเหตุแห่งความตายทั้งนั้นเลยนะเป็นเป็นทุกข์เป็นโทษเพราะนั้นควรกลัวในสิ่งที่ควรกลัวควรกล้าในสิ่งที่ควรกล้าคํำว่ากลัวในสิ่งที่ควรกลัวก็คือกลัวโทษของกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตควรกล้าคือควรกล้าเจริญกายสุจริตควรกล้าเจริญวจีสุจริตควรกล้าเจริญ มโนสุจริตนะครับถ้าหากว่าเจริญสุจริตแล้วแคร์คนอื่นนี่ก็แหมก็น่าสงสาร น, นะครับนะครับนี่สำหรับขยายคำว่าวุตตังสองครั้งนะครับนี่ก็พักวางท่านหนะ